วิธีแยกรูปแยกนามวงเล็บเปิด7มีนาคม2551ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที21เวงเล็บปิดเมื่อหลายปีก่อนร่วมสิบปีได้แล้วหลวงพ่อเคยได้ยินท่านอาจารย์มหาบัวพูดมีคนไปถามท่านว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าผมทำสมาธิปไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาไหมปิดเครื่องหมายคำพูดท่านบอกเปิดเครื่องหมายคำพูดไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกันปิดเครื่องหมายคำพูด สมาธิทำไปเพื่อให้จิตสงบวิธีทำสมาธิก็คือมีสติไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจอันเดียวอย่างนั้นหรือไปอยู่ที่พุทโธหรือไปจ่ออยู่ที่ท้องพองยุบเวลาเดินจงกรมเอาสติไปจ่ออยู่ที่เท้าไม่หนีไปอยู่ที่อื่นเลยอยู่ไปนานๆก็สงบของมันไปไม่ทำให้เกิดปัญญาถ้าอยากทำให้เกิดปัญญานะก็ต้องหัดเจริญปัญญาวิธีที่เจริญปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าต้องแยกรูปแยกนามออกไป ขั้นต้นเลยเรียกว่านามรูปปริเฉทธยานมีปัญญาแยกรูปกับนามแยกกายกับใจออกจากกันให้เป็นคนละส่วนทําไมต้องแยกเป็นคนละส่วนเพราะกายกับใจถ้ามารวมอยู่ด้วยกันเราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราถ้ากายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูไปเรื่อยๆหรือจิตเคลื่อนไหวก็มีจิตอีกดวงหนึ่งตามรู้ไปว่าจิตตะกี้เคลื่อนไหวไปแล้วถ้าอย่างนี้ดูจิตไปเรื่อยๆ จะเห็นว่าทั้งกายทั้งจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราพระโสดาบันคือผู้ละความเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวเราพระโสดาบันไม่เห็นว่าขันห้าเป็นเราไม่เห็นมีตัวเราในขันห้าไม่เห็นมีตัวเรานอกเหนือจากขันห้าตัวเราไม่มีฉะนั้นตัวเราจะไม่มีต้องแยกขันออกไปขันแต่ละขันจะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเรารูปก็เป็นส่วนรูปไม่ใช่เรา เวทนาก็ส่วนเวทนาไม่ใช่เราสังขารทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายก็ส่วนสังขารไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดแล้วก็ดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราต้องฝึกอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญานะถ้าฝึกแล้วรู้ลมนิ่งอยู่สงบอยู่เฉยๆยจะไม่เกิดปัญญาหลวงพ่อนี่แหละฝึกอาณาปณสติตั้งแต่เจ็ขวบฝึกกับท่านพอลีนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเลยท่านพอลีลูกจิตหลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆเลย ฝึกกับท่านพอลีท่านสอนตอนนั้นเรายังเด็กเจ็ดขวบท่านก็ยังไม่ได้สอนวิปัสสนาให้ท่านสอนสมถะสอนหายใจฝึกมาได้สี่ปีนานๆถึงจะได้ไปหาท่านทีหนึง่งสี่ปีก็ได้เรียนแต่สมถะท่านก็สิ้นไปหลังจากนั้นไม่มีครูบาอาจารย์หลวงพ่อขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นนะจนอายุยี่เก้ามาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองพอหัดมาดูจิตนะจิตก็อยู่ส่วนหนึ่ง กายก็อยู่ส่วนหนึ่งแยกกันหมดเลยขันท่ากระจายตัวออกไปขันแต่ละขันเลยไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาอย่างนี้มันเดินปัญญาต่อไปได้ฉะนั้นฝึกมาแนวไหนก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ไม่ใช่แยกรูปกับรูปบางคนไปแยกรูปกับรูปเช่นไปเห็นว่ารูปพองก็อันหนึ่งรูปยุบก็อีกอันหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นนามรูปปริเฉทยานไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นามกับรูปที่แยกจากกันมันเป็นรูปกับรูป รูปอันหนึ่งกับรูปอีกอันหนึ่งไม่ใช่อ e ันเดียวกันเนี่ยต้องมีแยกรูปแยกนามท่านบอกให้รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่รูปมัน ห, like <1. S 2> หายใจยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้ท่านไม่ได้บอกว่าการเดินมีกี่จังหวะท่านไม่เคยสอนนะนั่งต้องมีกระบวนกาต้องนั่งท่านี้นั่งท่าอื่นไม่ได้ ท่านไม่เคยสอนท่านบอก แ, แค่ว่านั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่รู้ชัดแปลว่าอะไรก็รู้ว่ารูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เรานั่งรูปมันนั่งอยู่รูปมันอยู่ในอิริยาบถที่สมมุติเรียกว่านั่งรูปที่มันอยู่ในอิริยาบถที่สมมุติว่ายืนจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราดูไปเพื่อให้เห็นว่าไม่มีเราฉะ <achi Gu. S 2> นั้นเราตั้งเป้าการภาวนาต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะเป้าหมายแรกเพื่อละสักยัทิฐิ เพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องดูลงไปตรงไหนที่เรารู้สึกเป็นตัวเราก็กายกับใจนี้เรารู้สึกว่านี่กายคือตัวเราใจคือตัวเรารู้ลงมาที่กายคือตัวเราใจคือตัวเรารู้ลงมาที่กายที่ใจนี้รู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่ากายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรากายเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เป็นแค่วัตถุธาตุที่เคลื่อนไหวไปมา จิตก็เป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราดูไปอย่างนี้นะถึงจะเรียกว่าเดินเข้าเป้าถ้าจะมาดูกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนี่ไม่ใช่แล้วไม่เข้าเป้าแล้วเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะมันก็ยังเป็นตัวเราใช่ไหมแต่ตัวเราสกปรกถ้าดูมันไม่มีตัวเรามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินเข้าเป้าเป้าอะไร เป้าของพระโสดาบันคือละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเพราะฉะนั้นต้องรู้ลงที่กายที่ใจบางคนไปเดินจงกรมไปเหยียบพื้นแล้วก็รู้ว่าพื้นอ่อนพื้นแข็งหรือพื้นเย็นพื้นร้อนเดินไปไปรู้อยู่ที่พื้นถามจริงๆมีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราไม่มีเลยใช่ไหมแสดงว่าภาวนาไม่เข้าเป้าภาวนาออกนอกเป้าไปแล้วไปดูว่าพื้นร้อนพื้นแข็งพื้นอ่อนพื้นเย็นหาสาระไม่ได้ ต้องรู้ลงมาในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราคือกายกับใจนี่เองรู้ลงไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานมันเป็นแค่วัตถุธาตุเท่า น, นั้นเองมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจออกหายใจเข้าเคลื่อนไหวตลอดกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายเป็นอยู่ตลอดหรือนั่งอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เห็นร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ถึงจะมีปัญญาหลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับสมถะยี่สิบสองปีทำสมถะชำนิชำนานได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้หรอกของจริงมาได้จากการเจริญวิปัสนาคาพูดนี้ใช้ได้กับทุกสำนักนะยกเว้นสำนักที่ดูวิธีอื่นที่ไม่ใช่กายกับใจเช่นไปเพ่งไฟเพ่งอะไรอย่างนี้ ไม่เกี่ยวกับกายกับใจอันนั้นออกจากกรอบของสติปัฏฐานไปสำนักไหนฝึกมาให้รู้กายให้รู้ใจนะลองปรับวิธีรู้ให้ถูกต้องซะรู้เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่รู้เพื่อไปเพ่งให้นิ่งๆปรับวิธีรู้ต่อไปก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงแล้วปล่อยวางได้